กฎธรรมชาติชุดที่สองภาวะเป็นไปความสัมพันธ์กับภาวะปรากฏลักษณะกฎธรรมชาติชุดที่สองมองได้ด้วยกฎที่หนึ่งก่อนเดินเรื่องต่อไปขอทบทวนความที่ผ่านมาเล็กน้อยเป็นอันได้เข้าใจกันแล้วว่าธรรมะสิ่งสภาวะ หรือสภาวะธรรมที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ในกระบวนของปัจจัยการนั้นเรียกว่าสังคตธรรมหรือสังขารในความหมายอย่างกว้างนี่คือสังขารอันได้แก่สังคตธรรมทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมดังเช่นขันห้าทั้งหมดที่เป็นชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดทั้งสิ้นและนี่ก็คือ สังขารหรือสังคตตธรรมทั้งหมดนั้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่เรียกว่าปัจจัยาการหรืออิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทพร้อมกันนั้นก็ได้รู้เข้าใจกันด้วยว่าสภาวะที่สิ้นปัจจัยเป็นปัจจัยไขซึ่งเรียกว่าอาสังคตาธรรมหรือวิสังขานั้นผลไปไม่อยู่ใต้กฎธรรมชาติแห่งปัจจัยาการนี้ ที่นี้นอกจากกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการหรืออิทธปัจจยตาปฏิจจะสมุบาทนี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงกฎธรรมชาติอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการประกาศความจริงอีกด้านหนึ่งของสภาวะธรรมทั้งปวงทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมดังที่ได้ตรัสไว้ดังนี้ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็มีอยู่คงอยู่ เป็นธรรมะทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคือเป็นกฎธรรมชาติว่า 1. สังขารทั้งปวงเป็นอนิจจาคือไม่เที่ยง 2. สังขารทั้งปวงเป็นทุกขาคือคงทนอยู่ไม่ได้ 3. ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่เป็นไม่มีตัวตน สถาคตปรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจาสังขารทั้งปวงเป็นทุกขาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตากฎสมข้อคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตานี้ พระพุทธเจ้าม่ได้ตราชื่อเรียกรวมไว้แต่ในอัธกถาเป็นต้นมาเรียกว่าไรลักษ์แปลว่าลักษณะสามของประดาธรรมะแต่มีความหมายครอบคลุมไม่เท่ากันข้อที่หนึ่งว่าสังขารทั้งปวงคือสังฆตธรรมทั้งปวงรวมหมดขันทั้งห้าเป็นอนิจจาไม่เทียงคือมีแล้วไม่มี มีขึ้นแล้วดับหายเกิดมีแล้วดับสลายในวงเล็บอุตวาอภาวะข้อที่สองว่าสังขารทั้งปวงคือสังกัตรธรรมทั้งปวงรวมหมดคันทั้งห้าเป็นทุกข์ขางทนอยู่ไม่ได้คือถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไปในวงเล็บ อุทยพยาปฏิปิลิตะข้อที่สามว่าธรรมะทั้งปวงคือทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาไม่เป็นไม่มีตัวตนคือไม่เป็นไปในอำนาจไม่อยู่ใต้อำนาจครอบครองของใครที่จะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ในวงเล็บอวสัวตนา ลักษณะที่สคืออนัตตาไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรเป็นเจ้าของครอบครองบังคับสั่งการบัญชาให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรอย่างที่ต้องการได้นี้เป็นลักษณะที่ครอบคลุมหมดจะว่าเป็นลักษณะพื้นฐานก็ได้ดังคําเรียกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าสภาวะคือมีภาวะของมันซึ่งก็คือไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใคร กฎธรรมชาติชุดไตรลักษ์นี้ก็คืออีกด้านหนึ่งของกฎแห่งปัจจยาการนั่นเองเมื่อสิ่งทั้งหลายมีอาการที่เป็นไปตามปัจจญาการแห่งเหตุปัจจัยมันก็มีลักษณะเป็นอนิจจาเป็นทุกขาเป็นอนัตตาเริ่มแต่พื้นฐานที่ว่านี้คือสิ่งทั้งหลายมีภาวะของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีภาวะของมันที่เกิดจากเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าอัตตามีจริงสิ่งทั้งหลายก็ไม่ต้องและไม่อาจเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอัตตาก็ไม่อาจจะมีเมื่อมองเห็นสิ่งนั้นๆเป็นเพียงภาพรวมแห่งชุมนุมขององค์ประกอบหรือส่วนย่อยหลากหลายมากมาย ที่เกิดมีระดับสลายสัมพันธ์กันเป็นไปอยู่ในกระบวนของปัจจาัการความเป็นตัวตนอัตตาของสิ่งนั้นๆก็หายไปเหมือนอย่างกัมปั้นมีเพราะกัมมือพอแบมือเหยียดนิ้วออกไปกัมปั้นก็หายหมดหมัดก็ไม่มีอะไรๆที่เป็นสังคต ธ, ธรรมเป็นสังขารก็เกิดมีและเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่เป็นไปตามความต้องการหรือตามการสั่งบังคับของใครถ้าใครจะให้มันเป็นไปอย่างไรอย่างไรตามที่ตัวปรารถนาก็ต้องเรียนรู้สืบค้นเหตุปัจจัยที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นและปฏิบัติจัดการที่เหตุปัจจัยนั้นจะเอาตัวปรารถนาไปสั่งการบัญชามันไม่ได้ส่วนสภาวะที่เป็นปัจจัยขยขเป็นอสังขต เป็นวิสังขารก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีภาวะของมันซึ่งไม่มีไม่เป็นไปตามปัจจัยอะไรๆใครๆอะไ ร, ไร ๆ, ะไรๆจะครอบครองสั่งการบัญชาอะไรอย่างไรไม่ได้มันก็มีก็เป็นของมันตามธรรมดาอย่างนั้นในทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่ของมนุษย์ เมื่อมีปัญญารู้เข้าใจความจริงตามธรรมดาของสภาวะแล้วก็รู้จักที่จะปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเรียกว่านำความรู้เข้าใจสัจธรรมในภาคมชัชฌนาธรร ม, ทรมเทศนานี้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริยธรรมเป็นการดำเนินมัคคาชีวิตในภาคมัชฌิมาปฏิปทาคือรู้ทันว่าการถืออัตตาตัวตนนั้น เป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความยึดถือด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริงถ้าอยู่แค่กับความอยากความยึดนั้นก็ไม่มีอะไรสำเร็จตามที่ปรารถนาแต่จะต้องเจอกับสภาพฝืนใจที่ย้อนกลับมาบีบคั้นตัวเองให้มีทุกข์อัดอั้นบอบชำ้ำดังนั้นคนที่มีปัญญา รู้เข้าใจความจริงแห่งธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเมื่อต้องการให้อะไรเป็นอย่างไรหรือเมื่ออะไรไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาก็ไม่มัวอยู่กับความปรารถนาที่ไม่สมได้แค่โอดครวนพร่ำเพ้อแต่รู้จักปฏิบัติจัดการให้ตรงเรื่องของเหตุปัจจัยนั้นๆก็รักษาจิตให้เป็นอิสระได้ เรารู้ทันความสาเร็จหรือไม่ตามความเป็นไปได้หรือไม่ได้ของเหตุปัจจัยเหล่านั้นสำหรับชาวบ้านก็จำไว้ใช้ง่ายในทางปฏิบัติว่าสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจึงต้องปฏิบัติจัดการมันด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจและทำการให้ตรงเหตุปัจจัยของมัน การที่สังคตธรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปัจจาัการนั้นบอกอยู่ในตัวถึงอนิจจตาคือภาวะที่สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่คงที่มีแล้วก็ดับหายพร้อมด้วยทุกขาตาคือภาวะที่ยืนยงคงอยู่ไม่ได้ไม่คงตัวจึงปรากฏเป็นการเปลี่ยนแปลงแปรไปกลายเป็นอื่นโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ กับทั้งอนัตตาคือภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนครอบครองไม่เป็นตัวเป็นอันว่าสิ่งทั้งปวงคือสรรพสังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปัจจาัการโดยสัมแดงลักษณะส า, สามที่เรียกว่าไรลักษ